วันนี้เป็นวันพระหัสที่สิบสี่กรกฎาคมพุทธศักราชสองันห้ารกสิห้าเป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษาคือการอยู่ที่เดิมไม่ออกไปค้างแรมที่อื่น ตลอดระยะเวลาสามเดือนของพระภิกษุในบารพุทธศาสนาเหตุที่ภิกษุต้องอยู่จำมันษายตลอดระยะเวลาสามเดือนเกิดจากที่มีชาวนาชาวไร่ได้มาร้องเรียนต่อพระพุทธเจ้าว่า ช่วงระยะช่วงเข้าพรรษานี้เป็นระยะเพื่อดูฝนเป็นช่วงที่มีการเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆพระภิกษุของพระพุทธเจ้านี้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันไปหาครูบาอาจารย์เพื่อไปศึกษาไปเรียน และไปหาสถานที่ปลีกวิเวกต่างๆการเดินทางจึงมีการเดินทางกันไปมาอยู่ตลอดเวลาและการเดินทางที่จะทำให้ระยะทางสั้นก็คือการเดินวัดทุ่งนาของชาวนาชาวไร่เวลาที่เป็นฤดูฝนนี้ เป็นช่วงที่ชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกพืชต่างๆแล้วเวลาที่พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะเดินเหยียบพืชที่ได้เพาะปลูกไว้สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชาวนาชาวไร่ <c oughs> ชาวนาชาวไร่จึงมาขอ ความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ห้ามปรามพระภิกษุไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับชาวนาชาวไร่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร่จึงได้มีการบัญญัติให้พระภิกษุ อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนในวัดของตนคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดคือวันนี้ถึงวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนสิบเอ็ดให้พระภิกษุนั้นไม่ให้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไปค้างแรมไม่ให้ไปค้างแรมถ้าจะไปก็ไปแล้วต้องกลับมาภายในวันนั้นถ้ามีเหตุจําเป็นมีธุระจําเป็นที่จะต้องไปก็ให้ไปได้เช่นตอนเช้าออกไปบินทบาทออกไปได้แต่ก็ต้องกลับมาอยู่ค้างคืนที่วัดไม่ให้ไปค้างคืนที่อื่น ยกเว้นถ้ามีกรณีฉุกเฉินมีกรณีจำเป็นเช่นบิดามารดาครูบาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยจะเดินทางไปเพื่อดูแลรักษาท่านก็ไปได้แต่ไม่ให้ไปเกินเจ็ดคืนให้ไปอยู่ค้างแรมได้ไม่เกินเจ็ดคืน ก็จะต้องกลับมาอยู่จำพรรษาต่อที่วัดถ้าเกินก็ถือว่าเป็นการขาดพรรษาคือการละเมิดคำสั่งของพระพุทธเจ้านี่คือเป็นที่มาที่ไปของการจำพรรษาของพระภิกษุพระภิกษุจึงต้องอยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดที่เรียกว่าวันออกพรรษาจะไปค้างแรมไปที่วับที่อื่นได้ก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนนี่คือความเป็นมาของการอยู่จำพรรษาของพระพิกษุ แล้วก็ได้มีประเพณีปฏิบัติตามกันมาอยู่สองอย่างด้วยกันในช่วงเข้าพรรษานี้คือมีการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนที่มาของการถวายเทียนก็เนื่องจากสมัยโบราณนี้ไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยปัจจุบัน ยามค่ำคืนต้องอาศัยแสงเทียนไว้สำหรับส่องแสงสว่างเพื่อการทำกิจวัตรของสงฆ์เช่นไหว้พระสวดมนต์เช่นอ่านหนังสือธรรมะต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างก็เลยเป็นธรรมเนียมของศรัทธาญาติโยมที่อยากจะ ทำนุ บ, บำรุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระภิกษุที่มาบวชให้มีแสงสว่างไว้ในการปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมจึงมีการประเพณีถวายเทียนจำพรรษากันแต่เนื่องจากสบายนี้เหตุการณ์ได้เ ป, ปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้เรามีแสงสว่าง ทางอื่นคือไฟฟ้าแล้วก็มีไฟฟ้าหลายชนิดด้วยกันสายฟ้าที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิติก็มีจึงมีการเปลี่ยนการถวายเทียนมาเป็นพวกหลอดไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการถวายเทียนความจริงก็คือการถวายแสงสว่าง ให้มีนยามค่ำคืนเพื่อสะดวกต่อการบำเพ็ญกิจของพระพุทธศาสนิกกระชนที่มาอยู่วัดทั้งภิกษุและทั้งคารวดญาติโยมจำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างกน็นอกจากการถวายเรื่องเทียนห้ถวายเทียนหรือถวายหลอดไฟจากจากเทียนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเทียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ นอกจากเป็นพิธีกรรมเช่นอาจจะมีเทียนตั้งอยู่ในโบสถ์ในศาลาเวลามีพิธีกรรมไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆแต่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากนอกจากนี้ไปนอกก็มักจะใช้แสงไฟฟ้ากันก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้หลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟ แล้วก็มีการถวายค่าไฟฟ้าเพราะมีหลอดแต่ถ้าไม่มีจ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าหลอดไฟก็ไม่สามารถมีแสงสว่างได้ต้องอาศัยไฟฟ้าไฟฟ้าเขาก็ต้องเก็บสตังค์ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นวัดหรือเป็นอะไรเพราะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บ ค่าไฟกับผู้ใช้นั้น <Yeah. S 1> ก็ธรรมเนียมของการถวายเทียนก็เลยกลายมาเป็นการถวายหลอดไฟ <Yeah. S 1> ถวายอุปกรณ์ <Yeah. S 1> เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ <Yeah. S 1> แล้วก็ถวายค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> อันนี้คือธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่เราทำกัน ช่วงเข้าพรรษากันแทนที่จะถวายเทียนอาจจะมีถวายบ้างพอให้ใช้กับพิธีกรรมต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราก็จะหันมาถวายพวกหลอดไฟถวายค่าไฟแทนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในในช่วงเข้าพรรษาอีกอย่างหนึ่งที่ญาติโยมจะนำมาถวาย ก็คือผ้าอาบน้ำฝนเรื่องของการใช้ผ้าอาบน้ำฝนนี่ก็มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าคือยุคแรกๆของการบวชของพระนี่พระนี่จำเป็นจะต้องไปหาผ้าเองผู้ที่บวชนี่ต้องไปหาผ้าเองเพราะไม่มีอ่า ไม่มีญาติโยมถวายผ้าให้และการหาผ้าของพระในสมัยนั้นในยุคแรกๆคือการไปหาผ้าที่ทิ้งแล้วเช่นผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าเป็นพวกผ้าห่อศพผ้าเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าบางสกุลซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าผ้าป่าเราตัดคำว่าช้าออกไป ความจริงความหมายก็คือผ้าที่เก็บจากป่าชานี่เองเรียกว่าผ้าบังสกุลยุคแรกๆของผู้ที่มาบวชเป็นพระเวลาต้องการที่จะตัดเย็บจีวรสบงสบองคือผ้านุ่งจีวรคือผ้าห่มก็ไปเก็บผ้าหอ่อศพของศพที่แห้งแห้งกลายเป็นกระดูกไปแล้ว เอาผ้าเหล่านี้มาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมให้ได้เป็นสีกาสาวพัดคือสีเหลืองแล้วก็นำมาใช้นุ่งห่มกันพระยุคแรกๆนี้จะมีผ้านุ่งนอยู่หนึ่งผืนคือผ้าสะบงแล้วก็ผ้าจีวอนที่พระเรียกผ้าหม่มเวลาไปบินธบาก็ต้องห่มผ้าให้เรียบร้อย แต่เวลาอยู่วัดนี้ก็จะมีเพียงผ้าสบงตัวเดียวอยู่เวลาอาบน้ำก็ต้องถอดผ้านี้เข้าไปในที่มุงที่บางเพื่ออาบน้ำทีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่วันหนึ่งคือมีนางวิสาขาซึ่งเป็นพระอริยสาวกซึ่งเป็นคารวทญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่จะทำนุบารุงพระพุทธศาสนาได้ส่งสาวใช้ให้ไปที่วัดเพื่อไปตรวจดูว่ามีพระอยู่จำนวนกี่รูปเพราะเธออยากจะนาเอาน้าปานะมาถวายให้กับพระที่อยู่ในวัดก็ส่งสาวใช้ไปพอดีไปถึงวัดก็เป็นช่วงฝนตกหนักอยู่ จงนั้นก็เลยมีพระภิกษุออกมาอาบน้ําฝนกลางแจ้งกันก็ไม่ได้นุ่งห่มเสื้อผ้าเพราะไม่มีผ้าผ้านุ่งเท้าผ้าผ้านุ่งที่นุ่งเป็นประจำนี่มามาอาบมาห่มมานุ่งแล้วก็มาผ้าก็จะเปียกเวลาอาบเสร็จก็จะไม่มีผ้าแห้งเปลี่ยนเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวเท่านั้นเอง พระสมัยก่อนนั้นท่านอัตคัดขัดสนเรื่องผ้ามากมก็เลยแก้ผ้ากันอาบน้ำฝนกัน<ม>พอนางสาวสาวใช้ไปเห็นพระอาบน้ำฝนก็ตกใจเปลือยกายอาบน้ำฝนกันก็วิ่งแจ้นกลับมาบอกนางวิสาขา ว, ว่าที่วัดไม่มีพระเลยตอนนี้มีแต่พวกชีเปื<ม>่อย <laughs> นางวิสาขาฟังก็เข้าใจเธอเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าพระไม่มีผ้าอาบน้ำฝนอ า, อาบกันก็เลยประกาบทูลขออนุ ญ, ญาตจากพระพุทธเจ้าว่าขอให้ศรัทธาญาติโยมได้มีโอกาสถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระที่อยู่จำบันษาเพื่อเวลาช่วงไหนที่มีฝนตกจะได้มีผ้าอาบน้ำฝนไว้ไหมไว้ไว้นุ่งเพื่อ อ, อาบจะได้ไม่ ไม่ล่อนจ้อนไม่ได้เป็นชีเปืยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้าอาบน้ําฝนต่อพระภิกษุตั้งแต่นั้นมาทุกพรรษาจึงมีประเพณีธรรมเนียมการถวายผ้าจําผ้าอาบน้ําฝนกันแต่ในยุคนี้ผ้าน้ําฝนก็ไม่ได้มีความจําเป็นเพราะเดี๋ยวนี้พระท่านก็มีที่อาบน้ำํำคือ ตามคุติก็มักจะมีห้องน้ำไว้ให้อาบน้ำกันก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนที่เดี๋ยวนี้เขาถวายกันก็เป็นผ้าชิ้นเล็กๆเป็นผ้าทาเนียมมากกว่าแทบจะเอามานุ่งไม่ได้เอามานุ่งไม่ได้เพราะมันผืนเล็กนิดเดียวเพราะว่าเห็นว่าผ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อาบน้าฝนกันแล้ว อาบน้ำปะปากันอาบน้ำในกุฏิกันในห้องน้ำต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมประเพณีของการกระทาในช่วงเข้าพรรษานอกจากนี้ก็ยังมีธรรมเนียมของศรัทธาญาติโยมและของพระภิกษุสามเณรที่เห็นว่าพระพุทธศาสนานี้ เป็นศาสนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจิตใจผู้ใดถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้จะได้รับประโยชน์สุขอย่างมหาศาลเพราะจะสามารถกำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้น้อยลงและให้หมดไปได้สร้างความสุขทางด้านจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้น จนถึงขั้นสูงสุดได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงจากระดับมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาให้ไปเป็นพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลให้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันได้ยังมีประเพณีที่จะใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้มาศึกษามาปฏิบัติ พระธรคํคสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกระทาที่ต่างกันไปตามศรัทธาบางท่านก็เห็นว่าสมควรที่จะบวชเป็นพระสักสามเดือนเนื่องจากว่าสำหรับชาวพุดเหล่านี้ก็เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของลูกลูกชายในครอบครัว ถ้ามีอายุครบบวชคือตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปก็ควรที่จะบวชเรียนกันเพื่อเป็นประโยชน์ของตดเองและเป็นประโยชน์ให้แก่ บ, บิดามารดาและปู่ย่าตายายพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าเมื่อลูกชายคนในครอบครัวมาบวชเป็นพระก็เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ญาติพี่น้อง ก็จะต้องมาวัดเพื่อมาเยี่ยมเยียนพระที่มาอยู่บวชที่มาบวชอยู่ในวัดเมื่อมาวัดก็จะต้องมาทำบุญกันมีประเพณีใส่บาตรถวายอาหารให้กับพระแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างตอนนี้พ อ, อมาวัดทางวัดก็จะได้จัดการแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ศึกษา ให้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาให้รู้เรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของผู้ที่ศึกษามากน้อยเพียงไร mm hmm. การการมาบวชของคนในครอบครัวนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ตามปกติอาจจะไม่เข้าวัดกันเพราะไม่มีเหตุที่จะเข้า พราะไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักใครในวัดก็เลยไม่ได้มาวัดกันแต่พอมีคนในครอบครัวได้มาบวชก็จะต้องมาเยี่ยมเยียนกันมามาพบปะกันมาดูแลกันก็เลยทําให้ได้มีโอกาสได้มาวัดได้มาทําบุญทำทานใส่บาตรถวายพระตาหารแล้วก็ได้มีโอกาสทําพิธีกรรมร่วมกับพระในวัดคือมีการ ฟังเทศฟังธรรมมีการนาราธนาถือศีลกัน<ม>ซึ่งการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทาบุญที่จะนำจิตใจให้ไปสวรรค์<ม>หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าการบวชของลูกชายนี้เป็นการทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่เพราะว่าจะช่วยดึงพ่อแม่ให้ไปสวรรค์ หลังจากที่ตายไปแล้วแต่พ่อแม่จะไปสวรรค์ได้หรือไม่นั้นต้องมาวัดมาทาบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่ใชม่มาแบบตัดหางปล่อยวัดพามาบวชบวชเสร็จก็ไม่เข้ามาติดตามดูแลตัดหางปล่อยวัดอย่างนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่า จะไม่ได้มาทาบุญทาทานไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนั่นเองดั <Yeah. S 1> งนั้นต้องเข้าใจว่าการเกาะชายผ้าเหลืองของลูกชายนี้ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าพอลูกชายบวชปั๊บพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์ทันทีพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค <Yeah. S 1> ์หรือไม่ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ <Yeah. S 1> ถ้าพ่อแม่ทาบุญทาทาน รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้อันนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้พ่อแม่หลังจากที่ตายไปแล้วมีได้ขึ้นไปสวรรค์อย่างแน่นอนจะไม่ไปตกไปในอบายจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกกันเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย การรักษาศีลห้าได้นี้จะป้องกันไม่ให้จิตใจในี้ตกต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลห้าได้นี้จิตจะไม่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าทําบุญด้วยรักษาศีลห้าด้วยก็จะขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าได้ปฏิบัติทำได้ได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบ ก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่าแล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมได้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็จะได้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระนาคามีและขั้นพระอาหารหันต ถ้าได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลหลังนี้จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้น้อยลงไปตามลำดับถ้าได้ขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันนี้เจ็ดก็จะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองได้ขั้นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวในภพของมนุษย์ ส่วนถ้าได้ขั้นที่สามนี่จะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์เด็กต่อไปแต่ยังจะไปเกิดบนภพของพรหมอยู่แล้วก็จะไปออกจากภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือไตรภพนี้เข้าสู่พระนิพพานเมื่อได้บรรลุถึงขั้นที่สี่ของพระอริยบุคคลคือเป็นพราะอารหันต์เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้า ตันนี้พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ไปถึงนิพพานแล้วไปถึงที่ที่ทั้งไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าสูญหายไปไหนจิตใจของพระพุทธเจ้ากับจิตใจของพวกเรานี้ไม่มีวันสูญหายเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตายมันต่างกันตรงที่ว่าของพวกเรานี้ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะพวกเรายังติดยาเสพติดกัน ยาเสพติดอะไรที่ทำให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตาเกิดก็คือติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่การที่เราติดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะนีเราจำเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเสพเราจึงต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายของมนุษย์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ ให้หมดไปจากใจเราได้แล้วใจเราก็จะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปและใจของเราก็จะไปอยู่ที่เดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอหันตสาวกทั้งหลายอยู่อย่างมีความสุขภายในตัวของตัวเองไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายไปไม่ช้าก็เร็วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจเป็นอย่างมากคนฉลาดจึงเห็นโทษของการมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็จะมีการแก่การเจ็บการตายอยู่เรื่อยไปพวกเรานี้รู้หรือไม่ว่าพวกเรานี้ได้มาเกิด ได้ร่างกายมนุษย์นี้มานี้ไม่รู้กี่ล่านร่างกายแล้วได้ร่างกายอันนี้มาเป็นร่างกายที่ล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้เราได้ร่างกายอื่นมาเยอะแยะทัหมดได้มากี่ร่างกายในที่สุดก็ต้องจากร่างกายนั้นไปเพราะร่างกายทุกร่างกายนี้ต้องไปสู่ความตายนั่นเองเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดา เวลาตายก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจทั้งกับคนตายเองและทั้งกับคนญาติสนิทไม่สหายนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้มาวัดอาจจะเป็นสาเหตุที่มีคนในวัด คนในครอบครัวมาบวชถ้าไม่มีใครมาบวชเราก็อาจจะไม่เคยเข้าวัดเลยก็ได้สำหรับคนบางคนแต่สำหรับบางท่านนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีได้เกิดในครอบครัวของพ่อแม่ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ชอบเข้าวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องพอเราได้มาเกิดในครอบครัวอย่างนี้ มันก็ทำให้เราได้เข้าวัดอยู่บ่อยๆได้เข้าเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆเราจะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราทำสามหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปจะดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำจะพาให้จิตใจเราไปสู่ความทุกข์ที่มากขึ้น จากมนุษย์ถ้าเราทำบาปเราก็จะลงไปเป็นเดรลฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้างอันนี้พวกเราอาจจะไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรเวลาอาจจะคิดว่าร่างกายเราตายไปแล้วแล้วใครจะไปเป็นไปตกนรกใครจะไปเป็นเดลฉานผู้ที่ไปนี้ก็คือใจผู้ที่สั่งที่เป็นเจ้านายของร่างกาย เราพวกเรานี่คือเจ้านายของร่างกายพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจที่คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆพวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเราถึงไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพราะเวลาเรามาเกิดเราก็เห็นแต่ร่างกายเราไม่เคยเห็นตัวของเราเองเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีตัวของเราเองอีกตัวหนึง่ง ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายแต่อย่างใดคือไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปนี่ใจของเรายังอยู่ยังคิดยังอะไรยังคิดยังรู้ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่เช่นยกตัวอย่างเวลาที่ร่างกายเรานอนหลับนก็เป็นเหมือนกับร่างกายตายไปชั่วคราว พอตอนนั้นร่างกายไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ใจของเรานี้ยังมีการกระทําอยู่การกระทําของใจในขณะที่ไม่มีร่างกายก็คือการฝันนี่เองเราจะมีการฝันถึงเรื่องราวต่างๆฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างและการฝันดีหรือฝันไม่ดีนี่แหละคือผลของบุญและบาปที่เราทํากันถ้าเราทําบุญเราก็จะฝันดี เพราะเวลาเราทำบุญเราจะบันทึกแต่เรื่องดีๆไว้เราไปทำประโยชน์ที่นั่นที่นี่ไปช่วยคนนั้นคนนี้ไปทำสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขมันก็จะฝังอยู่ในใจเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปเราก็จะบันทึกเรื่องที่ไม่ดีที่เราไปทำไว้เราไปรังแกคนนั้นเราไปเบียดเบียนคนนี้เราไปสร้างความเสียหายให้คนนั้น แล้วมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเราพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตายไปใจเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้แหละก็จะเป็นผู้ผลิตสวรรค์นรกขึ้นมาในรูปแบบของความฝันนี่เองถ้าเราฝันดีมีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราฝันร้าย มีฝันแต่เรื่องราวหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆเรื่องของความทุกข์ยากลาบากต่างๆเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเรื่องของความหิวโหยต่างๆเรื่องของความหวาดกลัวต่างๆอันนี้ก็เป็นผลของจากผลของการกระทำบาปของเราบาปก็คือการฆ่าสัตว์ฆ่าผู้อื่นรักทรัพย์ของผู้อื่นประพฤติดประเวณี ไปผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเขาแล้วก็โกหกหลอกลวงทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความเสียหายหต่างๆนาน า, น า, น า, นานการกระทาเหล่านี้จะไปทาเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจของพวกเราเมื่อเราทําบาปแล้วเราจะมีความรู้สึกหวาดกลัวต่อวิบากต่อผลของการการะทําของเราเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาจจะต้องถูก เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษจะไปติดคุกติดตารางจะไปประหารชีวิตก็มีเราเวลาทำบาปเราถึงจะมีความหวาดกลัวมีแต่ความทุกข์ไม่สบายใจเวลาอยู่ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆความรู้สึกเหล่านี้มันจะถูกบันทึกไว้ในใจของเราเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายไป สิ่งที่เราได้บันทึกไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความฝันมาหลอกมาหลอนเราหรือมาให้ความสุขให้ความทุกข์กับเรานี่แหละคือลักษณะของของของสภาพจิตใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายนี้ได้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายการตายนี้จึงเป็นเหมือนการนอนหลับเท่านั้นเองแต่เป็นการนอนหลับที่ยาวนานหน่อย ไม่เหมือนกับการนอนหลับที่เรานอนกันทุกวันเรานอนเพียงเจ็ดแปดชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับเข้ามาในร่างกายของเราใหม่แต่ถ้าเวลาเราตายนี่เราจะหลับยาวนานเลยแล้วเวลาตื่นขึ้นมาแทนที่จะได้ร่างกายอันเก่าก็จะได้ร่างกายอันใหม่จะออกมาเป็นทารกคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยตอนที่เราเกิดมาเนี่ยออกมาจากท้องแม่ ตอนนั้นก็เป็นเหมือนเราตื่นจากการหลับเป็นเวลายาวนานเพราะตลอดระยะเวลาที่เราไม่ได้มีร่างกายหรือร่างกายยังอยู่ในท้องแม่อยู่นี้เราไม่สามารถใช้ร่างกายอะไรทำอะไรได้รับข้อมูลต่างๆได้ตอนนั้นก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยแล้วพอเราคลอดออกมาจากท้องแม่ปับ๊บพอมาสัมผัสกับโผฏฐัพพะคือความรู้สึกหนาวหนาวรร้อน ความมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เตื่นหมืคนเพิ่มเตือนขึ้นมาแต่การเตื่นอันนี้เป็นการเตื่นแบบได้ร่างกายอันใหม่ดังั้นถ้าจะมองไปในแง่ที่ดีการตายก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างกายนั่นเองเนการไปเปลี่ยนถ่ายอาวัยวะทั้ง32นั่นเลยสมัยนี้เรามีการถ่ายเปลี่ยนถ่ายอาวัยวะกันใช่ไหมเวลาตายเสีย เราก็ไปหาหมอหมอเขาก็จับเราเข้ า, าวางยาสรบให้เราหลับไปแล้วเขาก็จะได้ผ่าเปลี่ยนไตายให้กับเราพอเราตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอา้าวเราก็ได้ไตาอันใหม่ไตายที่เสียที่ทําให้เราไม่สบายกลายเป็นไตที่ดีทําให้ความไม่สบายของเราหายไปฉะนั้นความตายของเราก็เหมือนกับเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายนี่ แต่จะได้ร่างกายดีไม่ดีนี้อยู่ที่เราทําบาปหรือไม่ทําบาปถ้าสมมุติเราไปทําบาปในเวลาเราตื่นขึ้นมาแทานที่จะได้ร่างกายของมนุษย์อาจจะได้ร่างกายของสุนัข ก, ก็ได้ได้ร่างกายของแมวก็ได้ร่างกายของวัวของควายของปลาก็ได้แต่ใจก็เป็นใจของเรานี่แหละแต่เนื่องจากเราไปทําบาปไว้เราก็เลยต้องมาชดใช้บาปที่เราทําอันนี้ คือเรื่องของการตายการเกิดของใจที่ไม่มีวันตายอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดมาเปลี่ยนร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเรยพราะไม่ว่าจะได้ร่างกายแบบไหนก็ตามมันก็จะต้องมีทุกข์ตามมาต่อไปพอเกิดปั๊บมันก็ทุกข์ลวพอออกจากท้องแม่เห็นเด็กหัวเลาะนะไม่มีใช่ห มีแต่ร้องไห้กันคนเราร้องไห้นี้สแสดงว่าเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ <S <S <ess> เวลาอยู่ในท้องแม่ในี่แสนจะสบายใช่ไหมมีอุณหภูมิที่ดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป <S <S <ess> มีอาหารมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่มีความรู้สึกขิวเลยแต่พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บนี่ <S <S <ess> สิ่งแรกที่ขาดก็คือลมหายใจ หายใจไม่เป็นยังไม่เคยหายใจต้องหายใจเองหมอหรือพยาบาลก็เลยต้องกระตุ้นให้หายใจเองอย่างที่ร้องก็เพราะว่าขาดลมหายใจเวลาเอาจากท้องท้องแม่ออกมาพอเกิดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเกิดการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะว่าจะต้องคอยเติมสิ่งต่างๆให้ร่างกายอยู่ได้สิ่งแรกที่ต้องเติมก็คือลมหายใจต้องเริ่มหายใจ ตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันจายวันตายนี่เราไม่มีวันหยุดหายใจเลยใช่ไหมทำอะไรต่างๆยังมีวันหยุดกันใช่ไหมอย่างวันนี้เรายังมีวันหยุดห้าวันน่ะเคยทํางานเราหยุดทํางานได้แต่การหายใจนี่เราหยุดไม่ได้เลยถ้าเราขี้เกียจหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นเราถึงไม่กล้าขี้เกียจกันเรื่องของลมหายใจนี่ไม่ขี้เกียจแล้วเรื่องของที่สิ่งที่สองเราก็ไม่ขี้เกียจคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็คือเรื่องน้ํำนี่ เราไม่กินน้าไปสักพักเดี๋ยวก็หิวน้ำนะ<ม>ก็ต้องคอยเติมน้ําแล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยอาหารก็เป็นดินนี่เป็นธาตุดินเพราะอาหารนี่ก็ทํามาจากดินข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเราต้องคอยเติมธาตุสี่าเตามาิตมธาตุลมเตมิตมธาตุน้ําเติมธาตุดินแล้วก็เติมธาตุไฟถ้าร่างกายเราเย็นไปมันก็จะไม่สบาย เราก็ต้องคอยหาที่ที่มันมีความอบอุ่นหาผ้าห่มมาหม่มหรือไปอยู่ที่ใต้แสงแดดเพื่อได้รับความร้อนจากแสงแดดการมีชีวิตปับ๊บพอมีร่างกายปั๊บก็มีภาระต้องรับผิดชอบต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายอันนี้เป็นความทุกข์พื้นฐานที่เกิดขึ้นกับทุกคนต่อจากนั้นก็ต้องมีความทุกข์ในการที่จะ ปกป้องรักษาชีวิตให้อยู่ต่อไปให้ได้เพราะมีภัยต่างๆที่จะมาคอยทำลายชีวิตของเรากันมีภัยทางธรรมชาตินได้ข่าวๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุน้ำท่วมไฟไหม้พายุถลม่มอันนี้แล้วก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางคนเกิดมามีมีกรรมพันธุ์ที่ไม่ดีมีโรค ติดมาจากพ่อจากแม่ร่างกายมีโรคประจาตัวบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้ถ้ารักษาได้ก็ต้องคอยดูแลต้องคอยกินยาอยู่เรื่อยนอกจากโรคที่ติดมากับตัวแล้วยังมีโรคที่แพร่อยู่รอบตัวเราเองเช่นตอนนี้เราก็รู้กันเนี่ยเรามีโรคโควิดเราทุกคนต้องใส่หน้ากากกันใส่หน้ากากดีไม่ดี มันสุขหรือทุกข์กันแต่เป็นความทุกข์ที่เราต้องยอมรับกันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ใส่หน้ากากมันก็ยิ่งจะทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเวลาติดเชื้อนี่เชื้อเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างอาการเจ็บต่างๆให้แก่ร่างกาย mm hmm. เราก็เลยต้องยอมทนทุกข์กับการใส่หน้ากากกัน mm hmm. นี่คือลักษณะของความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดนี่ แล้วพออยู่ไปนานเข้านานเข้าร่างกายก็เริ่มแก่ลงไปความแก่ก็เป็นทุกข์อีกถามคนแก่ดูเลยอากจะอยากจะเป็นคนแก่แล้ว อ, อยากจะเป็นคนหนุ่มคนสาวทย้อนเวลากลับไปได้ทุกคนก็อยากจะกลับไปเป็นตอนเป็นดุ่มเป็นสาวจะทําอะไรมันสะดวกคล่องแค่ว่องไวไปไหนมาไหนได้สะดวกพอแก่แล้วพอจะขยับแขงขยับขาขยับมือหน่อยก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ นี่คือความแก่แล้วพอแก่แล้วร่างกายก็อ่อนแอภูมิต้านทานโาครคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงไปแล้วก็อวัยวะที่สมบูรณ์แข็งแรงก็เริ่มเก่าลงไปเริ่มทํางานไม่สมบูรณ์ตับไตหัวใจปอดต่างๆก็เริ่มชํารุดทุดโทรมเกิดโรคภัยต่างๆโรคทางปอดโรคทางหัวใจโรคทางตับโรคทงางไตกัน นี่ก็โลกภัยไข้เจ็บที่จะต้องมีต่อไปและในที่สุดเมื่อไม่สามารถที่จะรักษาอาวัยวะต่างๆให้ทำงานได้พอหัวใจหมดกำลังที่จะทำงานหยุดทำงานปับ๊บความตายก็มาถึงทันทีนี่คือเรื่องของการมาเกิดที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นทุกข์ แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วทำยังไงทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกันได้หรือไม่ก็ทรงปฏิบัติธรรมศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดมีร่างกายก็เกิดจากความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายนี่เองพวกเราทุกคนนี่หาความสุขอย่างไรก็หาความสุขจากการดูการฟัง การริมลดการดมกลิ่นต่างๆนีเ่เวลาได้ดูรูปที่เราชอบเราก็มีความสุขเวลาเราได้ดื่มน้ำที่มีรสชาติที่อร่อยอร่อยเราก็มีความสุขเวลาเราได้ยินเสียงที่เราชอบภพเราะเราก็มีความสุขกันเวลาที่เราไม่ได้เสพเหล่านี้เราก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวยรู้สึกหงเดหย็ดเราก็เลยต้อง หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่เรื่อยๆ เ, เหตุที่ทำให้เราหาก็เพราะเราอยากอยากหาความสุขแบบนี้กันเพอา อ, อ, อยากแล้วมันก็ติดพอได้แล้วก็อยากจะเสพอยู่เรื่อยๆกลายเป็นยาเสพติดไปเหมือ น, นลองเราเสพอะไรสักอย่างแล้วมันจะติดดื่มกาแฟแล้วมันก็จะติดต้องคอยดื่มอยู่เรื่อยๆคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็ไม่ติด วันไหนไม่มีกาแฟดื่มก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดกาแฟนี้พอวันไหนไม่มีกาแฟดื่มนี่จะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาคนติดบุหรี่ ต, ติดสุราติดเที่ยวติดอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นเป็นการเสพลูกเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆตามความอยากของเราเพราะเราหลงไปคิดว่านี่คือวิธีหาความสุขให้กับเรานั่นเองแต่หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้ว ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการหาความสุขเลยมันเป็นาการหาความทุกข์เสียมากกว่าการหาความทุกข์ในรูปแบบของความสุขเป็นความสุขที่อัมพางความทุกข์กันเราคิดว่าเราไปเที่ยวลราสนุกเนี่ยพอเรากลับบ้านมาความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดพออยู่บ้านไปสักพักก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวยพอไม่ได้ออกไปเที่ยวอีกก็จะรู้สึกหนวดเก็บใจขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราไม่ติดเที่ยวทั้าอย่างนี้เราอยู่บ้านได้อย่างสบายเลยถ้าเราไม่ติดกาแฟเราไม่ต้องมีกาแฟดื่มเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ติดบุหรี่ไม่ติดสุราไม่มีบุหรี่ไม่มีสุราให้ให้สูบให้ดื่มเราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่อย่างสบายได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรแต่เราไม่รู้กันเราถูกความหลงที่มีในใจเราหลอกเรา หลอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องมีคนนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอมีจริงๆแล้วเป็นชพลนสุขแล้วเป็นทุกข์กันอยู่คนเดียวไม่มีแฟนก็อยากจะมีแฟนกันพอมีแฟนแล้วเป็นยังไงรู้อย่างนี้ไม่มีดีกว่าใช่ไหมอยู่คนเดียวจะแสนจะสบายกว่าพออยู่กับแฟนแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เราก็ต้องทะเลาะกันะเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวกัน อันนี้คือสิ่งที่เรา ม, มองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมองอย่างรอบคอบมองทั้งสองด้านมองสิ่งที่มาที่ให้ความสุขกับเราว่ามันจะให้ความสุขเราอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการให้ความสุขมาให้ความทุกข์กับเราพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาก็ลองเห็นว่าวิธีที่เราจะยุติ การมาเกิดเราก็ต้องเลิกความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและการที่จะเลิกเราก็ต้องเห็นความทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ทุกทั้งเนะี่เวลาได้มาแล้วสูญเสียไปทุกเมื่อเวลาได้สิ่งลายที่เรารักเราชอบมาแล้วหายไปอย่างเนี้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้ได้ไม่กี่วันก็หายไป เวลาของหายไปของที่เรารักเราชอบหายไปเป็นยังไงมันก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>นี่ต้องเห็นทุกข์ถึงจะเลิกความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้ต้องเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสกันเนี้มันเป็นทุกข์<ม>การที่จะเห็นเราก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของมันมีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไหมของต่างๆเวลาได้มาใหม่มันก็ดี พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเสียละเริ่มเก่าซื้อลถมาใหม่ๆมันก็ดีขับไปเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวก็เสียละเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดอต้องไปเข้าอู่ต้องไปซ่อมต้องเสียเงินเพิ่มต้องเสียเวลาจะไปทําอะไรตามที่เราเคยทําก็ทําไม่ได้<ม>ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมามทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะดีไปตลอด ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเปลี่ยนจากดีไปเป็นไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนจากสุขให้กลายเป็นความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นแบบนี้ก็เลยเลิกความอยากที่มีอยในใจของพระพุทธเจ้าได้หมดไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัฏมาให้ความสุขอีกต่อไปอยู่กับสภาพที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสกับดีกว่า เ <urt ri> หมือนกับคนที่ไม่ติดบุหรี่นี่สบายกว่าคนติดบุหรี่คนติดเที่ยวคนไม่เที่ยวนี่ดีกว่าคนติดเที่ยวคนติดสุราคนไม่ติดสุราดีกว่าคนติดสุราคนไม่มีแฟนดีกว่าคนมีแฟนอยู่คนเดียวสบายเป็นอิสระไม่มีใครมาเป็นเจ้าขี้เจ้าการเจ้านายเจ้ากรรมนเวณเราพอมีแฟนแล้วเขาก็มาเป็นเจ้ากรรมนเวณเราเราก็ไปเป็นเจ้ากรรมนเวรเขา พอกันแล้วก็มีแต่ความทุกข์เข้าหากันอยู่เรื่อยๆนี่ต้องพิจารณาอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงของที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่มันเป็นของชั่วคราวเวลาใหม่ๆก็ดีเวลาพบกันใหม่ๆอยู่ด้วยกันใหม่ๆนี่รลกกั น, นชี้ฟ้าเป็นฟ้าชีน้นกเป็นนกแต่อยู่ไปต่อไปเป่นนานกลายเป็นทะเลาะ ก, กันนะคนว่าคนว่าเป็นนกไหคนก็ว่าเป็นฟ้าแนละ้ว เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆก็เลยรู้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้เขาเคยดีกับเราแล้วเราไปห้ามให้เขาไม่ให้มาไม่ดีกับเราเราก็ห้ามไม่ได้วันเวลาผ่านไปตอนต้นก็ดี แต่อยู่ไปเรื่อยๆความดีนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วเดี๋ยวความไม่ดีก็โผลขึ้นมานี่คือการเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เราเรียกว่าปลายลักษ์ปลายลักษ์คนหนึ่งอันนี้จังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีพอเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือมันเป็นเหมือนเป็นของที่ไม่มีใครไปสั่งมันได้ไปห้ามมันได้ไปห้ามามันไม่ให้เ ป, เปลี่ยนไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ไปห้ามไม่ให้ม difficult ันหมดไม่ได้ถ sure. ึงเวลามันจะหมดมันก็หมดถึงเวลามันจะเสื่อมก็เสื่อมถึงเวลามันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าใครสามารถเห็นไตรักษณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธได้ก็จะตัดความอยากต่างๆได้ ถ้าเห็นเรายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าใจไม่มีกำลังสาเหตุที่ไม่มีกำลังก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกสมาธิกันต้องฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งเฉยให้ได้เพราะการนิ่งเฉยนี่แหละคือการพลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าใจเราไม่นิ่งพอเกิดความอยากปับ๊บเราก็จะเราก็จะวิ่งตามความอยากทันทีพอเห็นนั่ น, น, นดีอยากได้ปุ๊บไปเลยเดี๋ยวนี้ยิ่ ง, ง่ายด้วยใช่ไ ดูในมือถือดูในดูในคอมนี่พอเห็นสินค้าที่ที่ไหนถูกใจนี่กดสั่งได้เลยกดซื้อได้เลยสองวันก็มาแล้วดีไม่ดีสองชั่วโมงก็มาก็มีถ้าเป็นพวกอาหารนี่ของที่เราอยากกินอยากดื่มนี่พอกดปุ๊บสั่งปับ๊บเดี๋ยวเข้ามาถึงหน้าบ้านเลยเพราะใจเรามันขิวโหวยไม่มีความอิ่มในตัวของมันเอง ใจที่ไม่มีสมาธิจะเป็นใจที่หิวโหยอยู่เรื่อยๆอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้อะไรอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิกันมานั่งทําใจให้สงบได้ใจจะนิ่งแล้วใจจะอิ่มขึ้นมาใจจะรู้สึกว่าไม่หิวกับอะไรเลยอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ตอนนั้นเห็นอะไรก็ไม่เคยคิดอยากจะกดสั่งซื้อมาเลยเพราะไม่รู้จะเอามาทําไมในเมื่อใจเราไม่หิวแล้ว อันนี้แหละคือสิ่งที่เราขาดกันทางด้านปัญญาเราอาจจะมีกันเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องตายรักกันมาอยู่พอสมควรเรื่องความอยากก็เราก็เคยได้ยินได้ฟังกันแต่สิ่งที่เราไม่มีในตัวของพวกเรากันก็คือเราไม่มีสมาธิไม่มีความนิ่งไม่มีอุเบกขาเราขาดอุเบกขาความอิ่มใจความพอใจ พอเวลาที่ใจเรามีอุเบกขานี้มันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะเฉยเฉยได้ของดีขนาดไหนก็ไม่รักไม่ยินดีของเลวร้ายขนาดไหนก็ไม่ชังไม่กลัวเพราะว่าใจมันอยู่ในที่ที่มันไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ที่ปลอดภัยของใจนั่นเองที่อิ่มที่พอถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยง แต่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังไปยึดไปติด ย, ยังไปอยากได้เขา อ, อยู่ก็แสดงว่าใจเรายังหิวอยู่ใจเรายังไม่อิ่มไม่พอไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นภายในใจของเราให้ได้และการที่ใจของเราจะนิ่ง ส, สงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาได้นี่เราต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือที่จะทำให้ใจเรานิ่งนี้เราเรียกว่าสติต้องมีสติคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดให้หยุดคิดถ้าเราหยุดคิดได้ใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะอิ่มจะมีความสุขจะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาในใจถ้าเราถึงจุดนั้นแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรรูปเสียงกลิ่นรดเราก็ตัดได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆเราก็ตัดได้ แต่ถ้าเราไม่มีอยู่เบะขาไม่มีความอิ่มความพอในใจเราต่อให้เรารู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเราก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เพราะใจเราหิวใจเราทรมานเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากนี่จะรู้สึกทรมานใจอย่างยิ่ง ทนไม่ได้เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยรู้ว่าเสพยาเสพติดไม่ดีแต่พอเวลาเกิดความอยากเสพแล้วมันทรมานใจมันต้องดิ้นหาให้ได้ถ้าไม่ได้เสพแล้วมันจะตายให้ได้มันยอมตายดีกว่าอดยาเสพติดเนี่ยเพราะความตายมันก็คิดว่าเพียงแค่เดี๋ยวเดียวแต่การอดเสพยาเสพติดนี้มันทรมานเป็นชั่วโมงมันก็เลยสู้ความอยากไม่ได้ พราะใจไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขานั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกสติกันมาคอยควบคุมความคิดกันปกติเราจะคิดทั้งวันใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดแล้ววันนี้วันอะไรจะไปทําอะไรไปดูอะไรไปฟังอะไรไปพบกับใครคิดแล้วก็มีเรื่องราวให้คิดต่อไปยาวเหยียดเลยไม่เคยมีเวลาหยุดคิดเลยคิดไปแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา อยากได้นุ่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องวิ่งไปทำตามความอยากต่างๆพอได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็อยากได้ของใหม่อีกแล้วได้สิ่งนี้แล้วก็อยากได้สิ่งนั้นได้ดูแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ฟังพอฟังแล้วก็อยากได้ได้กินได้ดื่มใช่ไหมมันมีแต่ความอยากตามมาเข้าคิวอยู่ตลอดทั้งวันเราไม่เคยมีเวลาหยุดความคิดเลยชีวิตเราก็หมุนเวียนไปกับตามการทาตามความอยากต่างๆ ที่เกิดจากความคิดของเรานี่แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีมีอุบายมีเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดคิดได้เนี่เราก็จะไม่ต้องไปดิ้นไปวิ่งไปหาอะไรมาทำกันถ้าเรามีสติวิธีจะหยุดความคิดของเราเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้เราใช้พุทโธนี่แหละแทนที่จะคิดอะไรก็ให้คิดเกีวกับคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจอเอาเลินตาขึ้นมาปั๊บถ้ายังไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดอะไรก็ อย่าปล่อยให้ใจคิดให้มันคิดอยู่คำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเราจะต้องใช้ความคิดเช่นไปทํางานเราค่อยหยุดพุดโทโธแล้วก็ใช้ความคิดใช้ความคิด <c oughs> กับการทํางานอย่างเดียว <c oughs> อย่าไปใช้ความคิดเกี่กับการไปหาลูกเสียงกลิ่นหรือหาความสุขชนิดต่าง ถ้ามันไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันถ้าเราสามารถควบคุมความคิดอย่างนี้ได้เวลาเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วเราก็สั่งให้มันพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวได้เดี๋ยวนะไม่นานใจก็จะนิ่งสงบแล้วใจก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะเริ่มมีความอิ่มมีความสุขในตัวของมันเอง มันก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกตอนต้นก็ได้ทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ได้ครั้งเดียวแล้วได้เต็มร้อยไม่ใช่อย่างนั้นได้ครั้งแรกอาจจะได้หนึ่งในร้อยทาต่อไปก็จะได้สองในร้อยสามในร้อยเติมเข้าไปเรื่อยๆนั่งสมาธิบ่อยขึ้นมากขึ้นก็จะได้ความอิ่มความพอมากขึ้นต่อไปเราก็จะมีความอิ่มเต็มร้อยเลย พอมีความอิ่มเต็มร้อยพอมีความอยากมาชวนให้เราไปอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็หยุดมันได้พอเรารู้ว่าการไปทำตามความอยากต่างๆนี้มันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราสามารถศึกษาเข้าใจเรื่องของเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันเรื่องของการที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจากความอยากเราต้องหยุดความอยากให้ได้ด้วยการเห็นว่าสิ่งที่พา สิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์ต่อไปแล้วถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิเราก็มาปฏิบัติกันมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันถ้าเราทําได้ต่อไปเราจะสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็จะตัดภพตัดชาติไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้เหมือนกับพระพุทธเจ้า กับพระอาลันตสาวกทั้งหลายอันนี้คือเป้าหมายของชาวพุทธเราทุกคนดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวพุทธเราถึงมักจะตั้งจิตอธิษฐานกันว่าในพรรษานี้จะขอประพฤติปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นจะทำบุญทำทานให้มากขึ้นจะรักษาศีลให้มากขึ้นจะฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นแล้วก็จะปฏิบัติธรรมฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้น เพื่อให้จิตเกิดอุเบกขาขึ้นมาเพราะเมื่อจิตมีอุเบกขาก็จะมีความสุขมีความอิ่มในตัวของเราเองจะทำให้เราไม่ต้องไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วถ้าเราทับต่อไปเราก็จะมีกำลังมากขึ้นจะตัดได้มากขึ้นจะในที่สุดเราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ ถ้าตัดได้พพชาติที่จะตามมาก็จะหมดไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะเน้นทำกันในช่วงเข้าพรรษาคื อ, อศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนให้เราละา ก, การกระทาบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระ ก, กิเลสตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจ ด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาถ้าเรามีเวลาว่างเราสามารถแบ่งปันเวลามาให้กับการปฏิบัติสามข้อนี้ได้ก็เท่ากับการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราสร้างการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับดับความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปจนหมดสิ้นไปได้จากการที่เรามี ศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีศรัทธาต่อการปฏิบัติต่อการศึกษาที่เราจะทํากันในช่วงเข้าพรรษานี้ดังนั้นถ้าท่านไม่เคยทําอะไรก็ลองคิดทดําดูถ้าไม่เคยทําบุญทุกวันก็ลองคิดทําบุญดูทุกวันไม่เคยรักษาศีลห้าทุกวันก็ลองรักษาศีลห้าดูไม่เคยฟังเทศฟังธรรมทุกวันก็ลองฟังดู ไม่เคยนั่งสมาธิทุกวันก็ลองนั่งทําดูตั้งตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตตั้งจิตใจตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะโลเลวันไหนขี้เกียจก็ไม่ทําวันไหนไม่มีอารมณ์ก็จะไม่ทําแต่ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเราต้องทําเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทําก็เท่ากับเราโกหกตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะทํากันในช่วงเข้าพรรานี้ เพื่อความสุขและความดุจพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะาวาเลวาหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจัโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพพโรโววินัสสตุมาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทนานสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธมรมาวัฏติอายุวันโอสุขังภาลา่าลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถาม อยากจะถามสงสัยเรื่องอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็มารับไมโครโฟนที่ข้างหน้านี้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความก็มาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความาผ่านทางเพจได้แล้ว เ, เดี๋ยวทางทีมแอดมินก็จะเอานำมาอ่านให้กว้ง อันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ทั้งที่นี่และที่ทางบ้านค่ะที่ f a c e b o o ห6ร3อย u ี่สิบสามยูทูบพระสุชาตไลฟ์สองร้อยห้าสิบหกยูทูบด็อกเตวีหนึ่งร้อยห้าสิบสองิออนไลน์แปด club ับฮาส์ตสี่นาุติสองร้อเก้าสิบแปดรวมหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งค่ะ ใครอยากจะถามมีคำถามก็อ่านได้เลยเชินคุณพีรพัฒนมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิต่างจากอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาอย่างไรครับจากสมาธิเป็นชั่วคราวมันหมดได้ออกจากสมาธิแล้วเดี๋ยวมันค่อ ย, อยจางไปเหมือนกับน้าเย็นที่แช่ในตู้เย็น พอเอาออกจากตู้เย็นมาสักพักมันก็หายไปกลับมาร้อนใหม่ใจก็มาร้อนต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆถึงจะรักษาความเย็นของใจได้แต่สำหรับทางปัญญานี้จะทำให้อุบเบกขาอยู่อย่างถาวรเพราะปัญญาจะเป็นผู้ที่จะคอยกำจัดสิ่งที่มาทำลายอุบเบกขานั่นเอง สิ่งที่ทำลายอุเบกขาก็คือตัณหาความอยากกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความโกรธความหลงถ้ามีปัญญาก็จะสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ท่านั้นก็ไม่อยากได้แนละ้วคำถามที่สองการนำอุเบกขาจากสมาธิไปสนับสนุนการพิจารณาทางปัญญา ในทางปฏิบัติทําอย่างไรครับต้องทรงฌานตลอดเวลาหรือไม่ครับก็อย่างที่พูดนะว่าอุเบกขานี้มันออกจากสมาธิมามันยังไม่หายไปทันทีมันเหมือนน้าเย็นที่แช่อย่างตัวเย็นมันก็ขึ้นอยู่กับการอยากความอยากนั้นมันทำให้ใจร้อนส่วนเบกขานี่ทําให้ใจเย็นดังนั้นถ้าเราไม่มีอะไรสร้างความอยาก ตอนนั้นอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานแต่พะเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะทำให้อุเบกขานี้หายไปอย่างรวดเร็วถ้าจะรักษาอุเบกขาไว้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำให้มันเที่ยงไม่ได้ถ้าพิจารณาเห็นไตลักษณ์ของสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะตัดความอยากได้อุเบกขาก็จะกลับมาอยู่ แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเลยเพอเกิดความอยากนี่มันไม่มีเวลาที่จะมาไต่ตองเพราะว่ามันจะกระโดดทันทีเลยเป็นอะไรที่อยากได้พอมีโอกาสปั๊บก็จะคว้ามั่เลยแต่ถ้ามีอุเบกขามันยังมีเวลาตั้งหลักได้ว่าให้คิดดูก่อนเว้ยไอสิ่งที่อยากได้นี่มันเป็นยังไงกันแนะ่มันสุขหรือมันทุกข์กันแนะ่มีเวลาตั้งตัวหน่อยมีเวลาคิดอย่างรอบคอบ แต่ถ้าไม่มีวเบรคขานี่ร้อยทั้งร้อยพอเห็นอะไรที่อยากได้ปั๊บนี่อยากคว้ามั่บเลยจะคุณว explore ความไม่มีตัวตนของพระโสดาบันเป็นอย่างไรเจ้าคะถ้าท่านไม่มีตัวตนแล้วท่านยังกลัวป่วยกลัวตายกลัวทุกข์รักสุขอยู่ไหมคะท่านเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวท่านเห็นร่างกายเป็นเหมือนคนอื่นเหมือนหมอเห็นคนไข้ยอย่า หมอรักษาร่างกายของคนไข้แต่เวลาคนไข้เป็นอะไรหมอไม่ได้ไปเดือดร้อนกับคนไข้ใจก็จะเห็นร่างกายพระโสดาบันจะเห็นร่างกายของตนว่าเป็นร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ของตนเองตอนไม่ได้เป็นร่างกายนี้ร่างกายนี้จะเป็นจะตายก็ไม่ทำให้ใจของพระโสดาบันเดือดร้อนก็เลยไม่กลัวไม่กลัวพาเจ็บความตายของร่างกายจน มาอีกแล้วนะคะพระอาจารย์ครับนวัตการค่ะอันนี้ถามถามแทนทางทางบ้านนะคะหมายถึงว่าเพื่อนๆสมัยนี้ค่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะค่ะพระอาจารย์ อ, อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุทีนี้คนที่ที่ศึกษาธรรมะค่ะก็ก็จะมีแนวคิดว่าอาถ้าถ้าไม่หาหมอถ้าเป็นโรคซึมเศร้าสมมุติว่าเป็นระดับต้นระดับกลางอย่างเงี้ยค่ะธรรมะสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ไหมคะพระอาจารย์ ได้แต่อยู่ที่คนไข้จะเอาธรรมะไปรักษาหรือเปล่า ม, มันยากตรงนั้นเพราะสิ่งที่คนไข้ขาดก็คือสตินี่่เพราะไม่มีสติแล้วมันก็ทําให้ความอยากมันอยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความซึมเศร้าตามมา่แต่ถ้าสามารถใช้สติมาระงับความคิดความอยากต่างๆได้ใจก็จะเกิดความสุขความอื่นขึ้นมา ค่ะก็สามารถลดละตัดความอยากต่างๆได้ค่ะก็จะไม่รู้สึกเศร้าเวลาที่ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอแต่มันยากตรงที่เอามาปฏิบัติเพราะต้องพยานพุทโธพุทโธไปทั้งวันนค่ะต้องคอยควบคุมคามคิดควบคุมความอยากอยู่ตลอดเวลาก็คือคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกสติก่อน <K: S 1> <K: S 2> ถูกไหมคะอาจารย์ ทีนี้เขาจะไม่มีสติพอที่จะมาฝึกสติก็เลยต้องต้องทานยาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะใจมันจะอยากอยากอยากให้คมซึมเศร้าหายไปอันนี้ก็เป็นความอยากเพิ่มทำให้ซึมเศร้ามากขึ้นไป เพราะว่าเหมือนมอนหนูอ่านในอินเทอร์เน็ตะคะก็จะมีเรียกว่าชาวเน็ตละกันนะคะเขาก็จะมีมีการตั้งคำถามว่าถ้าเป็นซึมเศรา้าธ ร, รรมะช่วยรักษาได้ไหมบางฝ่ายก็บอกว่าต้องทานยาเท่านั้นบางฝ่ายก็บอกว่าได้ะคะ่ะก็เลยถามเป็นความรู้กับพระอาจารย์เพื่อให้ทางบ้านเขาได้ทราบด้วยก็อาจจะใช้ยาช่วยในเบื้องต้นเพื่อให้เพื่อให้เจ็บ สงบตั้งหลักได้เพือ่อเรัญสติได้แต่ต้องเริ่มใช้สติเริ่มฝึกสติแล้วต่อไปก็ลดยาลงได้เมื่อมีสติควบคุมใจควบคุมความอยากต่างๆได้ต่อไปก็เลิกกินยาได้ยาส่วนให ญ, ญ่มันไปกดประสาทอะไรทำให้ใจมันไม่สามารถ คิดอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้อเพราะมันเหมืนปัญญานอนหลับเนี่ยยากรอบประสามันทําให้ร่างกายเหมือนซึมนิดนึงอย่างนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ความอยากมันลดมันไม่ได้เป็นแก้ที่ต้นเหตุมันแก้ปลายเหตุก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ไม่หายซึมเศร้าซึมเศร้าก็ยังมีอยู่เพราะกความอยากได้นู่นอยากได้นี่ยังมีอยูต้องหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการเจริญสติพุทธะพุทโธเลย พอความอยาก น, น้อยลงไปใจก็เริ่มเบาขึ้นเย็ยนขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นต่อไปก็หายหายหไดกก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคุะ ค, ะคเป็นกันเยอะมีอีกคำถามนึงค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของของการเกิดะคะเรามองว่า เราไม่ได้มองพราะพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าการเกิดเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความอยากทีนี้พระอาจารย์หนูฟังจากที่พระอาจารย์เทศก็คือสมมุติว่าพูดถึงเรื่องคบภูมิมาค่ะสวรรค์ก็เหมือนเราหลอนหลับแล้วก็เราฝันดีนรกเนี่ยก็เหมือนเราฝันร้ายเพราะเราเกิดจากการทํากรรมที่ไม่ดี อ, อยากจะรบกวนสอบถามพระอาจารย์เป็นความรู้อะค่ะแล้วสภาวะนิพพานเป็นอย่างไรคะพระอาจารย์นิพพานก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาความมีความพอตลอดเวลา นิพพานไม่ได้แปลว่าดับศูนย์ใช่ไหมคะมอาจารย์ที่ดับก็คือกิเลสที่สูงก็คือกิเลสจิตไม่ดับไม่สูนเพราะว่าเหมือนอย่าง ก, การดับของความทุกข์ความสูนของความทุกข์คือนิพพานแต่แต่จิตยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่เหมื อ, อมนจิตที่ไม่มีนิพพานเแต่ จ, <ะ>จิตที่ไม่มีนิพพานก็มีแต่ความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากต่างๆค่ะใช่อย่างจิตครูบาอาจารย์ที่ท่านไปนิพพานคือท่านยังอยู่ใช่ไหมคะอ ย, อยู่พราะพระพุทธเจ้าก็ยังเองค่ะแต่ท่านไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีมือถือติดต่อพวกเราคือนร่างกายอือค่ะท่านถ้ามีร่างกายท่านก็จะติดต่อพวกเราที่มีร่างกายได้ ค่ะเขาเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าบางทีหาความรู้ที่ไหนไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะมีการข้อถกเถียงกันเกิด<อ>ขึ้นเรื่องสภาวะนิพพานนะค่ะเพราะคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่านิพพานคือสูญสลายหายไปในความเข้าใจเพี้ยนเป็นความคิดไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างนี้สภาวะนิพพานถ้าเปรียบเทียบกับหนังภาพยนตร์นะคะแปลว่าเป็นอมตะได้ไหมคะพระอ า, า, าจารย์คะก็เป็นแบบว่ามันสงบไปตลอดค่สุขไปตลอด ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาธุค่ะอาจารย์มีคำถามใหม่ไหมใช่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นหมายถึงอะไรหรือเจ้าคะหมายงสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดเวลามันดับเราจะทุกข์ เพราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไยมันเกิดป่อยมันดับไปเช่นร่างกายนี่ถ้าเราไปยึดมันอยากจะให้มันทอเรายึดแล้วก็อยากจะให้มันสาวสวยไม่ส่างบานไม่รู้รวยใช่ไหมแต่มันไมีอะไรบ้างที่บานไม่รู้รวยแม้แต่ดอกไม้บานไม่รู้รวยมันยังรยเลยเฉนั้นทุกอย่างมันจะต้องมีสวันเสื่อมมันหมด งั้นถ้าเราไปยึดเราจะทำให้เราเศร้าใจเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันหมดคุณโมนี่ฟังทำแล้วจิตตื่นมากเกือบตีสองถึงนอนได้ตื่นแบบไม่เคยตื่นมาก่อนตื่นแบบสว่างโปร่ ง, ร ง, รงเบาๆถ้าเจอแบบนี้ควรต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ปฏิบัติต่อไปสิคนอยากจะปฏิบัติทั้งคืนจะได้เมื่อคืนนี้มีคนมาเล่าว่าได้ในสัต์ชิกเดิน การจะตื่นนี่มันดีมันทําประโยชน์ได้นอนหลับไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ต้องกลัวหรอกถ้าถึงเวลาร่างกายมันเหนื่อยมากๆมันก็จะหลับไปเลยคุณพิรยาเพื่อนที่เราครบกันมาอิจฉาริษยาและพูดให้เราเสียหายและถ้าเราให้อภัยแล้วเราควรกลับไปพูดคุยด้วยหรือเลิกคบกันไปเลยเจ้าคะก็ได้ทั้งสองอย่างก็ดูที่ผลว่าถ้าคบกันแล้วมัน มันมีแต่เจ้ากับเจ้งก็อย่าไปครบดีกว่าถ้ามันครบแล้วมีแต่เจ้าเร้่กําไรก็ครบไปดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเสียประโยชน์ไปครบทำไมใช่ไหมคุณอยู่กับปัจจุบนัน คนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและชอบทําบุญเยอะมากมแต่เขาทําผิดศีลผิดธรรมเขาจะบาปหรือเปล่าคะสิ่งที่เขาทําได้ทําบุญและภาวนาไว้จะช่วยให้เขาพ้นบาปไหมชจ้ค่ะทำบาปมันก็ต้องใช้บาปเลยพ้นไม่พ้นหรอกฉนั้นทำบุญแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วยไม่ใช่ตดาวแต่ทําบุญอย่างเดียวแล้วก็ไปไปขโมยเงินคนอื่นมาทําบุญนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร ได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญตายไปก็ได้เปเกิดเป็นหมาสวยๆให้คนน อ, อมาเลี้ยงนะเพราะบุญก็ทำจึงทำให้ได้ร่างกายที่สวยแต่บาปก็ทำก็เลยต้องไปเป็นหมาก่อนผู้ไม่ประสงค์ออกนามแม่ชอบเป็นทุกเกี่ยวกับน้องชายควรแนะนำท่านอย่างไรเจ้าคะ ก็บอกเขาาอย่าทุกข์สิแม่อย่าไปทุกข์กับเขาเลยทุกข์ไปแล้วได้อะไรเพืออุ้มและน้องต้นข้าวขอถามเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยปลาที่กำลังจะโดนฆ่าเพื่อทำอาหารแต่เป็นสัตว์ที่มีถิ่ น, นกาเนิดต่างถิ่นจะได้มากกว่าเสียหรืออย่างไรครับได้มากกว่าเสียมายถึงอะไร ถามมาแบบนี้ครับไม่ใช่หรว่าทำบุญถ่ายโคถ่ายชีวิตของผู้อื่นมันก็ได้แต่บุญนะสิคนคนที่เราไปช่วยเขาก็ได้ชีวิตอยู่ต่อไปคนช่วยก็ได้บุญได้กุศลสะสมบุญไว้พบหน้าชาติหน้าเกิดใครจะมาฆ่าเราอาจจะมีคนมาช่วยเราก็ได้คุณเจษดาพรคุณแม่นับถือวัดจีนและมีปฏิธาน กินเจตลอดชีวิตและบำเพ็ญตนเพื่อเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรไม่มีการนั่งสมาธิซึ่งหนูเคยอธิบายสิ่ง ท, ที่พระอาจารย์สอนแต่คุณแม่ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่คุณแม่ปฏิบัติเราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็วางใจว่าคุณแม่ยังอยู่ชั้นอนุบาลอยู่เราต้องใช้เวลาศึกษาต่อไป คุณทองคําบริกรรมยาวๆกับสั้นๆมีผลต่อสมาธิกับสติไหมครับเช่นพุทโธหรืออิติปิโสเป็นต้นก็แล้วแต่เราจะถนัดแล้วแต่เวลาบางเวลาพุทโธสั้นๆก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าสวดมนุย์ยาวๆก็เอาความฟุ้งซ่านให้อยู่เราก็ต้องสังเกตดูเหมือนกับการขับรถนะขับรถบางทีก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมถ้าท่านถ้ารถมันวิ่งช้าก็ต้องใส่เกียร์ต่ํา ถ้าเรวิ่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเกียร์เกียร์สูงขึ้นไปมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นก็อยู่ที่สถานภาพของจิตใจของเราซึ่งบางทีก็ก็ต้องใช้การสวดบนบางทีก็ใช้การบวิกรรมบางทีก็ไม่ต้องใช้เลยเพียงแต่ดูล ม, มาหายใจอย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ต้องสังเกต ด, ดูทดลองดูคุณโมนี่ เมื่อภาวนาพักหนึ่งแล้ว เ, เห็นตะลมจากนั้นภาวนาไม่ออกไม่มีลมภาวนาต่อไม่ได้เป็นเป็นตันๆแล้วเราต้องไปทําสิ่งไหนต่อคะเราอย่าไปยึดลมเสียเราเป็นทนดูลมดูเฉยๆลมจะหายใจแบบไหนก็ปล่อยใ ห, เห้เป็นไปตามแบบนั้นหายใจสั้นหายใจยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมหยาบลมละเอียดก็รู้ตามความเป็นจริง เราหายไปก็รู้ตามความเป็นจริงให้รู้เฉยๆไปเท่านั้นเองไม่ต้องทําอะไรแล้วจิตเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปคุณแสงประณีตเราควรศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่เจ้าคะก็การศึกษานี้มันก็ศึกษาเพื่อให้เรารู้วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะจากพระไตรปิฎกก็ได้ จากภาคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้เราต้องการศึกษาแค่ให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องรู้ทั้งพระไตรปิฎกเพราะความรู้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเหมือนสอนคนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงขั้นปริญญาเองที่เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราก็เรียนในวิชาความรู้ในระดับนั้นถ้าอยู่ในขั้นเจริญสติก็เรียนเรียนวิธีเจริญสติ ว, ว่าเจริญอย่างไง เวลนั่งสมาธินั่งอย่างไรเวลาจเจริญปัญญาพิจารณาอย่างไรท่านั้นเองไม่จำเป็นจะยังไปเรียนเรื่องอื่นเพราะว่ามันไม่ ไ, มมม ไ, มม ไ, มได้ช่วยหรือทำให้เราได้ปฏิบัติดีขึ้นแต่อย่างใดดีไม่ดีอาจจะกลายเ ป, เ, ปเป็นสิ่งเป็นอุปสรรคขวางกัน้นว่าใจเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเรื่องที่เราได้เรียนรู้มา แล้วมันทําให้เราไม่ได้หยุดคิดกันถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัตินี่สิ่งที่เราต้องการทําคือหยุดความคิดกันแล้เวลาปฏิบัติจริงๆแล้วจะให้ลืมหมดเลยความรู้ต่างๆที่เราเรียนมาให้รู้อย่างเดียวว่าทํางานให้เราหยุดความคิดให้ได้คุณสุธิดาในบทสวดอภินหาหังปัญจเวก กล่าวไว้ว่าเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแล้วตกลงตัวเรามีไหมคะเพราะบางทีได้ยินคำสอนว่าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้รับผลของกรรมคะคือเราในที่นี้หมายถึงตัวจิตตัวจิตเนียตัวจิตใจผู้รู้ผู้คิดซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเหมือนกับลมเหมือนกับลมเหมือนกับดินนี้ไม่มีตัวตน แต่พอมารวมตัวกันดินนั้นลมไฟมารวมตัวกันก็เป็นร่างกายขึ้นมาแล้วพอใจมาครอบครองก็ไปยึดไปติดไปว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาใจผู้รู้ผู้คิดก็เหมือนกันไม่มีตัวตนแต่ความหลงก็ไปยึดไปไปติดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเราทีนี้เมื่อเราคุยกับพวกที่ยังคิดว่าเป็นเราอยู่เราก็ต้องใช้ภาษาของเขาว่าให้เรารู้ว่าเวลาใจทาอะไร ทำบุญก็ได้รับผลบุญคือความสุขทำบาปก็ได้รับผลบุญคือความทุกข์แต่เราใช้ภาษาเราก็ต้องใช้ว่าเราหรือถ้าเราไม่อยากจะใช้เราก็ต้องใช้คําว่าใจใจทํากรรมใดไว้ใจจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นความหมายก็คืออย่างนั้นเห็นบางคนไม่รู้ว่าใจเป็นยังไงใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้เป็นเจ้านายของร่างกายนี้เนีย่ยเราร่างกายเรานี้เป็นเป็นลูกน้องเรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นก่อนที่จะร่างกายจะมาถึงที่นี่ได้ก็ต้องใจต้องคิดก่อนแล้วเ อ, อ๊วันนี้ไปวัดดีไหมไปฟังเทศฟังธรรมดีไหมออพอพ อ, พอตัดสินใจว่าจะไปก็อาจจะติดต่อกับเพื่อนชวนกันมาพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาผู้กระทํามื่อกนี้คือใจร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้ตอบสนองความคำสั่งของใจนั่นเอง เหตุผลผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายผลที่เกิดจากการมาฟังธรรมคือความสุขใจอิ่มใจมันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายไม่ได้รับอะไรจากการมาฟังเทศฟังธรรมคุณนัทธพล เมื่อผู้ที่ทำสมาธิจนเกิดความชำนาญถึงจตุตฌ า, านหรือฌานสี่แล้วไปต่อที่วิปัสสนาจากนั้นก็ยังสามารถไปอีกฝั่งคือได้วิชาญาณเช่นรักษาโรครู้การล่วงหน้าหรือระลึกชาติได้อีกอันนี้ถูกต้องไหมครับขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการใช้สมาธิรักษาโรคด้วยครับ เ, เรื่องของสมาธิที่มีเรียกว่าอาภิน ญ, ญานี้ เป็นความสามารถพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติมีน้อยมากที่สามารถเข้าถึงความสามารถพิเศษเหล่านี้ได้แต่ก็ไม่มีความจำเป็นต่อการหลุดพ้นต่อการไปสู่พระนิพพานกลับกลายเป็นอุปสรรคด้วยซ้าไปถ้าไปเกี่ยวข้องกับวิชาทางนี้เพราะจะทำให้ไม่ไปสนใจกับการไปทางวิปัสสนาก็จะมาคอยใช้ ความรู้ทางด้านอภิญญานี้มาใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องวิชานี้เรื่องที่ถามว่าสมาธิดับโรคภัยได้ยังไงก็ดับโรคที่เกิดจากความเครียดได้เลิกซึมเศร้าอย่างนี้ดับได้ถ้าทำใจให้สงบแล้วความซึมเศร้าจะหายไปหมด จะเป็นความสงบความเย็นความสบายขึ้นวความซึมเศร้านี่มันเป็นอารมณ์ของใจที่เกิดจากการการอยากในสิ่งต่างๆแล้วพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความเศร้าขึ้นพอเราทำสมาธิหยุดการผลิตอารมณ์เหล่านี้ได้ความซึมเศร้าก็จะหายไปอันนี้ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากจิตเป็นเหตุนี่รักษาด้วยสมาธิได้ แต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งนี้นั่งสมาธิไปจนวันตายมันก็ไม่หายหรอก <c oughs> ครูบาอาจารย์ร่างกายของท่านนี้บางทีท่านก็รักษาด้วยสมาธิไม่ได้แต่ท่านรักษาความทุกข์ใจได้ความทุกข์กใจที่เกิดจากความไม่สบายของร่างกายได้ใจของท่านจะไม่ทุกข์กับความไม่สบายหรือความตายของร่างกายอันนี้รักษาได้ แต่เรื่องร่างกายนี้แม้แต่พระพเจ้าก็รักษาให้มันอยู่ไปตลอดไม่ได้พระเจ้าบอกว่าก็อยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้เพราะมันไม่ใด้เป็นเรื่องของที่ใครจะสามารถมาควบคุมบังคับมันให้อยู่ไปตลอดได้คุณดวงใจตั้งใจจะรักษาศีลแปดทุกวันพระ เพิ่งเริ่มปฏิบัติเองที่บ้านแต่พอเริ่มก็มีแต่ง่วงนอนมากเดินนั่งก็ฟุ้งซ่านแต่จ้งตั้งใจจะทําขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็กินให้น้อยหน่อยล อ, องกินแค่มื้อเดียวกินแค่จานเดียวเดียวก็ได้ <c oughs> แล้วมันก็จะไม่ค่อยง่วงความง่วงมันเกิดจากการกินมากเกินไป คุณทองตอนนั่งสมาธิควรเปิดฟังธรรมะไปด้วยจะทำให้เกิดสมาธิไหมครับหรือว่าควรนั่งแบบเงียบๆไม่มีเสียงจากภายนอกครับก็ อ, อยู่กับว่าเรานั่งโดยที่ไม่ฟังได้ไหมถ้าเรานั่งโดยไม่ฟังได้เราก็ไม่ต้องฟังแต่ถ้าเรานั่งแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรมากับกับใจใจดิ้นรนฟุ้งซ่านก็อาจใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจไปก่อนก็ได้ แต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการนั่งโดยที่ไม่ต้องฟังอะไรให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจะได้ความสงบมากกว่าลึกกว่ากับความสงบที่ได้จากการฟังธรรมคุณเอกชัยอ น, นิสงส์งจากการภาวนานี้มากกว่าการทำทานและรักษาศีลถูกต้องไหมครับถูกต้องมันเป็นมันเป็นความสุขก็ต่างระดับกัน่ย เหมือนกับธนบัตรใบละยี่สิบกับห้าสิบกับร้อยกับพันนี่มันต่างกันเป็นธนบัตรเหมือนกันไงแต่ซื้อของได้มากน้อยต่างกันความสุขที่ได้จากทานก็ได้น้อยกว่าความสุขที่ได้จากศีลความสุขที่ได้จากศีลก็น้อยกว่าความสุขที่ได้จากการภาวนาแต่การจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลก่อนการจะรักษาศีลได้ก็ต้องมีทานก่อนดังนั้นจะกระโดดไปที่ภาวนาเลยโดยที่ ไม่ยอมทำทานมีแต่ความตนิมีแต่ความโลภอยากได้เงินทองไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างเบียดเบียนทู่อยู่ไปภาวนานก็ภาวนานไม่ได้อย่างดีมันต้องต้องเป็นการขั้นตอนเดินขึ้นไปขั้นบันไดเหมือนเรียนหนังสือแะนั้นเด็กพอเข้าโรงเรียนขั้นแรกก็ให้อยู่อนุบาลก่อนไม่ใช่จับไปอยู่ที่หมหาลัยเลยเอาหนูไปเลยไ ป, ไ, ปได้ความรู้เยอะแยะเลยอนุบาลไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ แต่ศักยภาพของผู้เรียนมันไม่มีไม่มีกำลังที่จะเรียนในระดับนั้นได้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นก็เหมือนกันถ้ายังไม่เคยทําบุญทําทานยังไม่เคยเสียสละแบ่งปันมาก่อนนี้จะรักษาศีลได้ยากแล้วถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็จะภาวนาได้ยากไม่มีเวลาไปภาวนาเพราะจะเวลาไปเที่ยวมากกว่าดังนั้นเขาต้องอาศัยการฝึกฝนตั้งแต่ขั้น ยกเว้นคนที่เคยฝึกฝนมาแล้วตจางจากชาติก่อนๆบางคนมาฟังธรรมปุ๊บไปปฏิบัติได้เลยไม่ต้องทําบุญทำทานไม่ต้องรักษาศีลเพราะปฏิบัติได้เดี๋ยวก็กลับมารักษาศีลมามาทําบุญทําทานเองเพราะไม่ต้จะเก็บข้าวของไว้ทําไมเกะกะเปล่าๆอันนี้แล้วแต่คนอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ได้ฌานตั้งแต่ชาติก่อนมาแล้วพอชาตินี้ก็เลยไปบวชได้เลยสละราชสมบัติได้เลย มีพระเจ้าแผ่นดินเกวองค์ที่สละราชสมบัติกัน mm hmm. ใช่ไหมพอเขาไม่มีฌานเ mm hmm. ขาไม่มีอุเบกขาเ mm hmm. ขาไม่มีความอิ่มใจสุขใจเขาทิ้งสมบัติไปไม่ได้หรอกเ mm hmm. ขาต้องอยู่กับสมบัติของพระราชาหมากษัตริย์แต่พระพเจ้าได้สมบัติที่ดีกว่าคือ mm hmm. ไ, ได้อุเบกขาจากสมาธิตั้นก็เลยสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดาย mm hmm. question from คุณโทนีิโรมิโร I do have a question, if you don't mind. When I'm meditating, I have a little bit of trouble breathing naturally. I kind of feel like I got something stuck in my throat. When, what should I do to help my breathing during meditation? I don't want to break my concentration, so I'm trying to find out what I can do to overcome that. Thank you very much. Can you try to switch to a mantra? Such as buto t buto buto, and forget about the breathing. If you find the breathing is prob problematic for you, try to use a mantra, or, or you can just accept the the situation of the breath. Don't try to to to do anything to it. Just observe it. Just merely know it that it is like this, and don't try to manage it. Let, let, leave it alone. Just use it as a, an anchor for your mind. If you cannot do this because you want to manage it, you want to change it or do something with it, then you may, maybe it's better to use a mantra during that situation. Not all the time, but when you cannot use your breath, you can switch to a mantra or something else. Some people you can focus on uh, the image of the skeleton if you like. Just imagine the skeleton in your mind, the picture of the skeleton, and focus on that picture alone instead of the breath. ไอ้แต่ไหมเวลานั่งสม h ธิดูลมแล้วบาง e ี l มมีปัญหารู้สึกไปมีอาการขัดที่คอขัดที่จมูกก็ทำยังไงดีก็เปลี่ยนเป็นบริกรรมพุ d โธพไป หรือถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนก็ดูลมดูเฉยๆไปไม่ต้องไปทำอะไรมันให้รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าดูแลอดไม่ได้ที่อยากจะไปแก้ไขไปทำอะไรก็อาจจะเปลี่ยนวิธีอาจจะใช้การดูโครงกระดูกก็ได้ให้หลับตาแล้วนึกถึงภาพของโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาภาพของโครงกระดูกนั้นอยู่ในใจไปเรื่อยๆ แทนการดูลมก็ได้คือให้ดูโครงกระดูกแทนก็ได้คุณนะัทจิตที่เราส่งออกไปทุกครั้งมันคือตรลักษ์ใช่ไหมครับะะไม่หรอกคือจิตของเรามันส่งไปหาเรื่องที่เป็นตรลักษ์มันส่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนันก็เลยไปเจอไตรลักษ์แล้วก็เจอทุกถ้ามันส่งเข้าไปหาสมาธิมันก็ไม่เจอไตรลักษ์ อาจจะเจอตายรักของสมาธิแต่มันอีกไกลไความสุขของสมาธินี่ถึงจะเป็นตายรักแต่มันก็ไม่ในเบื้องต้นมันก็เป็นประโยชน์กว่ารูปเสียงกลิ่นรสแต่ต่อไปถ้าอยากจะหลุดพ้นจากของที่เป็นตายรักทั้งหมดแม้แต่ความสุขจากสมาธิก็ต้องปล่อยแต่ตอนนี้อาศัยสมาธิเป็นตัวเป็นตัวบำเพ็ญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก่อน หมดแล้วยงังใครจะหมดเวลาแล้วเอาคําถามสุดท้ายกันแล้วกันนะคุณแสงประณีตคนเราไม่ได้เกิดมาเจอกันโดยบังเอิญที่มาเจอกันเพราะมีกรรมร่วมกันมาหรือต้องมาใช้กรรมต่อกันคํากล่าวนี้จริงหรือไม่เจ้าคะ่ะไม่จริงครับมันที่มาเกิดเพราะมีเหตุพาให้มาเกิดเหตุก็คือการมวาธนาภาวะธหาวิภาวะธหาพอมาเกิดก็เลยมาเจอกันเทนั้นเองเหตุก็คือกรรมวาธนาภาวะธนาวิภ า, าะวะธนา ไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนเคยทำกรรมนวดกันทำบุญน้อมกันอันนี้ก็อาจจะมีส่วนได้แต่ไม่ใช่เป็นเหตุหลักเหตุหลักก็คือความอยากของเรานี่เองโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาได้ถึงสองชั่วโมงเต็มๆก็คิดว่าพอที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัต